มิคาสาลาสูตรว่าด้วยอุบาสิกาชื่อมิคาาลาครั้งนั้นในเวลาเช้าท่านพระอานน์ครองอันตรวาศถือบาดและจีวรแล้วเข้าไปยังที่อยู่ของมิคาาลาอุบาสิกานั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ลำดับนั้นแหลมิคาสาลาอุบาสิกาได้เข้าไปหาท่านพระอาณน์อภิวาสแล้วนั่งณที่สมควร ได้เรียนถามท่านดังนี้ว่าท่านอาโนนธรรมนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าคนสองคนหรือคนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์อีกคนหนึ่งไม่ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้มีคติเสมอเหมือนกันในสัมปายภพจะพึงรู้ได้อย่างไรท่านผู้เจริญบิดาของดิฉันชื่อว่าปุราณนะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติทางไกลงดเว้นจากเมทุน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 พระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรไว้แล้วอย่างนี้เหมือนกันครั้งนั้นแหละท่านพระอานน์รับบินทบาทหน้าที่อยู่ของมิคาสาลาอุบาสิกาแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปครั้นในเวลาหลังพัะตาหารท่านพระอานน์กลับจากบินทบาตแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเวลาเช้าข้าพระองค์ครองอันตรวาสกเถือบาทและจีวรเข้าไปยังที่อยู่ของมิคาสาราอุบาสกานั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ลำดับนั้นแหละนางได้เข้าไปหาข้าพระองค์อภิวาสแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้ถามข้าพระองค์ว่าท่านอาน o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 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ในเรื่องยานเป็นเครื่องกําหนดรู้อินทรีย์แก่กล้าและอินทรีย์อ่อนของบุคคลใครกันเล่าคือมิคาสาราอุบาสกาผู้เขาไม่ฉลาดไม่หลักแหลมมีปัญญาทึบและใครกันเล่าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีวิสัยที่ไม่มีอะไรขัดขวางได้อานนท์บุคคลหกจำพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลกคือหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากบาปมีการอยู่ร่วมเป็นสุขเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายย่อมยินดียิ่งด้วยการอยู่ร่วมกันบุคคลนั้นไม่ทำกิจ ด, ด้วยการฟังไม่ทำกิจ ด, ด้วยความเป็นผู้หูสูรและไม่ได้แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิไม่ได้วิมุตตามเวลาอันครหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปทางเสื่อม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 เพื่อทุกตลอดกาลนานบรรดาบุคคลสองคนนั้นบุคคลใดเป็นผู้งดเว้นจากบาปมีการอยู่ร่วมเป็นสุขเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายย่อมยินดียิ่งด้วยการอยู่ร่วมกันบุคคลนั้นทำกิจด้วยการฟังทำกิจด้วยความเป็นพหูสูดแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและได้วิมุตตามเวลาอันควรบุคคลนี้ดีกว่าและประณีกว่าบุคคลที่กล่าวข้างต้นโน้น ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนี้ยังลงสู่อริยภูมิใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากถาคตเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบเถือประมาณในบุคคลและอย่าถือประมาณในบุคคลเพราะบุคคลผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทําลายคุณวิเศษของตนส่วนเราหรือผู้เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ส บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธและถือตัวและบางครั้งบางคราวโลภธรรมย่อมเกิดขึ้นแก่เขาบุคคลนั้นไม่ทำกิจ ด, ด้วยการฟังไม่ทำกิจ ด, ด้วยความเป็นพหูสูดไม่แทงตลอดดีด้วยทิฐิและไม่ได้วิมุตตามเวลาอันควรหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญ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 บุคคลผู้ถือประมาณย่อมถือประมาณในข้อนั้นว่าละถึงส่วนเราหรือผู้เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ห้าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธและเถือตัวและบางครั้งบางคราววัจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแกเขาบุคคลนั้นไม่ทำกิจ ด, ด้วยการฟังไม่ทำกิจ ด, ด้วยความเป็นผู้หูโสไม่แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ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 การเถือประมาณของผู้เถือประมาณเหล่านั้นเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานบรรดาบุคคลสองคนนั้นบุคคลใดเป็นผู้มักโกรธและถือตัวบางครั้งบางคราววจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่เขาบุคคลนั้นทำกิจ ด, ด้วยการฟังทำกิจ ด, ด้วยความเป็นพหูสูรแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและได้วิมุตตามเวลาอันควร บุคคลนี้ดีกว่าและประนีกว่าบุคคลที่ ก, กล่าวข้างต้นโน้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนี้ยังลงสู่อริยภูมิใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบเถื่อประมาณในบุคคลและอย่าเถื่อประมาณในบุคคลเพราะบุคคลผู้เถื่อประมาณในบุคคลย่อมทําลายคุณวิเศษของตนส่วนเรา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 ก็เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเช่นนั้นบุรุษชื่อว่าอิสิทั ต, ตะจะได้รู้แม้คติของบุรุษชื่อว่าปุราณะในโลกนี้ก็หามิได้อานนท์บุคคลสองคนนี้แหลเป็นผู้ต่ำกว่ากันด้วยองคุณคนละอย่างอย่างนี้แหลมิคาสาลาสูตรที่สองจบ อินนสูตรว่าด้วยความเป็นหนี้พระผู้มีพระภาคต ร, รัสว่าภิกษุทั้งหลายความยากจนเป็นทุกข์ของกรามรมภูคีบุคคลในโลกภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคต ร, รัสว่าภิกษุทั้งหลายคนจนเข็นใจยากไรย่อมกู้หนี้ แม้การกู้หนี้ก็เป็นทุกข์ของการมภพคีบุคคลในโลกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายคนจนเข็นใจยากไร้ครั้นกู้หนี้แล้วย่อมใช้ดอกเบี้ยแม้การใช้ดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์ของการมภพคีบุคคลในโลกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายคนจนเข็นใจยากไร้ครั้นใช้ดอกเบี้ยแล้วไม่ให้ดอกเบี้ยตามกาหนดเวลา พวกเจ้าหนี้ย like <agreed Holz> <ki> <world> ่อมตามทวงเขาแม้การตามทวงก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพิกษุทั้งหลายคนจนเข็นใจยากไรเมื่อถูกเจ้าหนี้ทวงยังไม่ให้พวกเจ้าหนี้ย่อมติดตามแม้การถูกติดตามก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพิษุทั้งหลาย คนจนเข็นใจยากไร้ถูกเจ้าหนี้ติดตามทันยังไม่ทันให้พวกเจ้าหนี้ย่อมจองจำเขาแม้การถูกจองจำก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคต ร, รัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ความยากจนก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกแม้การกู้หนี้ก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลก แม้การใช้ดอกเบีย้ยก็เป็นทุกข์ของกามาภูขีบุคคลในโลกแม้การถูกทวงก็เป็นทุกข์ของกามาภูขีบุคคลในโลกแม้การถูกติดตามก็เป็นทุกข์ของกามาภูขีบุคคลในโลกแม้การถูกจองจําก็เป็นทุกข์ของกามาภูขีบุคคลในโลกด้วยประการฬชนนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ไม่มีศรัทธาในกุศสธรรมไม่มีหิริในกุศสธรรมไม่มีโอตปะในกุศสธรรมไม่มีวิริยะในกุณสมธรรมไม่มีปัญญาในกุศสธรรมบุคคลนี้เราก็เรียกว่าเป็นคนจนเข็นใจยากไร้ในอริยวินัยภิกษุทั้งหลายบุคคลนั้นนั่นแลผู้เป็นคนจนเข็นใจยากไร้เมื่อไม่มีศรัทธาในกุณสธรรม เมื่อไม่มีหิริในคุศสธรรมเมื่อไม่มีโอตตะปะในกุศสมธรรมเมื่อไม่มีวิริยะในคุศสธรรมเมื่อไม่มีปัญญาในคุศสธรรมย่อมประพฤติกายย ท, ท, ท, ทุจริตประพฤติวจีทุจริตประพฤติมโนทุจริตเรากล่าวว่าการประพฤติทุจริตเช่นนี้ของเขาเป็นการกู้หนี้เพราะการปกปิด ก, กายทุจริตเป็นเหตุเขาจึงตั้งความปรารถนาอันชั่วว่า ขอชนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลยดมฤกว่าขอชนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลยพูดว่าขอชนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลยพยายามดือกายว่าขอชนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลยเพราะการปกปิดวจีทุจริตเป็นเหตุเขาจึงตั้งความปรารถนาอันชั่วและถึงเพราะการปกปิดมโนทุจริตเป็นเหตุ เขาจึงตั้งความปรารถนาชั่วว่าขอชนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลยดาริว่าขอชนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลยพูดว่าขอชนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลยพยายามด้วยกายว่าขอชนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลยเรากล่าวว่าการปกปิดทุจริตเป็นเหตุนั้นเป็นการใช้ดอกเบี้ยเพื่อนพรมจารีผู้มีศีลเป็นที่รัก เลือกล่าวกับบุคคลนั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุนี้เป็นผู้ทําอย่างนี้เป็นผู้ประพฤติอย่างนี้เรากล่าวว่าการถูกว่ากล่าวเช่นนี้ของเขาเป็นการทวงหนี้บาปอากุศนลวิตกที่ประกอบด้วยวิปัิสารความร้อนใจย่อมครอบงำบุคคลนั้นผู้ไปสู่ป่าไปสู่โคนไม้หรือไปสู่เรือนว่างเรากล่าวว่า การถูกบาปอากุศลวิตกครอบงำเช่นนี้ของเขาเป็นการถูกติดตามภิกษุทั้งหลายบุคคลนั้นนั่นแหลเป็นคนจนเข็นใจยากไร้ครั้งประพฤตกายทุจริตประพฤติวจีทุจริตและประพฤติมโนทุจริตหลังจากตายแล้วย่อมถูกจองจำในเรือนจำคือนรกหรือในเรือนจำคือกาเนิดสัตวเดรชานภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นเรือนจำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ร้ายกาจอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้และทำอันตรายแก่การบรรลุนิพพานซึ่งเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอย่างนี้เหมือนเรือนจำคืนนรกหรือเรือนจำคือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนี้เลยความยากจนและการกู้หนี้เราเรียกว่าเป็นทุกข์ในโลกคนจนเมื่อกู้หนี้ใช้สอยอยู่ย่อมเดือดร้อน เพราะการไม่ใช้คืนนั้นพวกเจ้านี้จึงติดตามเขาเขาย่อมเข้าถึงการถูกจองจาการถูกจองจานั้นแหลเป็นทุกข์ของหมู่ชนผู้ปรารถนากรรมในอริยวินัยก็เช่นเดียวกันผู้ใดไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตปะพ่อพูนบาปกรรมทำกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตปรารถนาว่าชนทั้งหลายอยารู้จักเรา ผู้นั้นย่อมดิ้นรนพอกพูนบาปกรรมทั้งทางกายทางวาจาและทางใจในที่นั้นๆบ่อยๆเขาผู้มีบาปกรรมมีปัญญาสามรู้การทำชั่วของตนอยู่เป็นคนจนผู้นี่ใช้สอยอยู่ย่อมเดือดร้อนลำดับนั้นความดําริเกิดแต่วิปติสารก่อทุกทางใจย่อมติดตามเขาทั้งในบ้านหรือในป่า เขาผู้มีบาปกรรมมีปัญญาสามรู้การทำชั่วของตนอยู่ย่อมไปสู่กำเนิดสัตดยดรชานหรือถูกจองจำในนรกส่วนนักปราดผู้ทำจิตให้เลื่อมใสให้ทานด้วยภพกษัตรย์ทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบทำย่อมพ้นจากการจองจำที่เป็นทุกข์นั้นเขาเป็นผู้ถือชัยชนะในประโยชน์ทั้งสองของผู้มีศรัทธาอยู่ครองเรือนคือประโยชน์เื้อกูลในภพนี้และสุขในภพหน้า บุญคือการบริจาคของครหัสนั้นย่อมเพื่มพูนอันหนึ่งผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นในอริยวินยัยมีจิตประกอบด้วยหิริมีโอตตปะมีปัญญาและสำรวมในศีลเราเรียกผู้นั้นแล ว, ว่าผู้มีชีวิตเป็นสุขในอริยวินยัยเขาได้สุขที่ไม่อิงอามิต h เอเบคาตั้งมั่นและนิวรห้าประการได้ปรารบความเพียนเป็นนิจ บรรลุฌานทั้งหลายมีเอกคตาจิตปรากฏมีปัญญารักษาตนมีสติรู้ชาติเหตุนั้นตามความเป็นจริงในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงจิตย่อมหลุดพ้นโดยชอบเพราะไม่ถือมั่นโดยสิ้นเชิงหากว่าเขามีจิตหลุดพ้นโดยชอบเป็นผู้คงที่ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งภวะสังโยชน์มียานอย่างรู้ว่าวิมุติของเราไม่กคเริบ ยา น, นั่นแหลเป็นยานชั้นเยี่ยมยา น, นั่นแหลเป็นสุขอันยอดเยี่ยมยา น, นั้นไม่มีความโศกปราศจากทุลีมีความกระเสมสูงสุดกว่าความไม่มีนี่อินนสูทที่สจบ มหาจุนทสูตรว่าด้วยพระมหาจุนทะเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระมหาจุนทะอยู่นานิคมชื่อว่าสัญญาชาติในแคว้นเจตีสมัยนั้นแลท่านพระมหาจุนทะเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระมหาจุนทะจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่า ผู้มีอายุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้พวกภิกษุผู้ประกอบธรรมรุกรานพวกภิกษุผู้เพ่งฌานว่าภิกษุเหล่านี้เพ่งพินิจยึดน่วงฌานอยู่ว่าพวกเราเป็นผู้เพ่งฌานพวกเราเป็นผู้เพ่งฌานภิกษุเหล่านี้เพ่งฌานทําไมเพ่งฌานเพื่ออะไรเพ่งฌานเพราะเหตุใดพวกภิกษุผู้ประกอบธรรม ไม่เลื่อมใสในพวกพิกษุผู้เพ่งฌานนั้นและพวกพิกษุผู้เพ่งฌานก็ไม่เลื่อมใสในพวกภิษุผู้ประกอบธรรมนั้นทั้งไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้มีอายุทั้งหลายพวกพิกษุผู้เพ่งฌานรุกรานพวกภิกษุผู้ประกอบธรรมว่า ภิกษุเหล่านี้คิดว่าพวกเราเป็นผู้ประกอบธรรมพวกเราเป็นผู้ประกอบธรรมเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่ำเพื่อหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกวดแกว้งไม่สำรวมอินทรีย์ภิกษุเหล่านี้ประกอบธรรมทำไมประกอบธรรมเพื่ออะไรประกอบธรรมเพราะเหตุไร ผู้ภิกษุผู้เพ่งฌานไม่เลื่อมใสในผู้ภิกษุผู้ประกอบธรรมนั้นและผู้ภิกษุผู้ประกอบธรรมก็ไม่เลื่อมใสในผู้ภิกษุผู้เพ่งฌานนั้นทั้งไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ภิกษุผู้ประกอบธรรมสันเสริญผู้ภิกษุผู้ประกอบธรรมเท่านั้น ไม่สันเสริญพวกภิกษุผู้เพ่งฌานพวกภิกษุผู้ประกอบธรรมไม่เลื่อมใสในพวกภิกษุผู้เพ่งฌานนั้นและพวกภิกษุผู้เพ่งฌานก็ไม่เลื่อมใสในพวกภิกษุผู้ประกอบธรรมนั้นทั้งไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย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 เ, เกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้มีอายุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าพวกเราทั้งหลายเมื่อเป็นผู้ประกอบธรรมจากสรรเสริญพวกภิกษุผู้เพ่งฌานท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้ถูกต้องอมตะธาตุด้วยกายเป็นอชิริยะบุคคลหาได้ยากในโลก เพราะเหตุนั้นแลท่านทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเมื่อเป็นผู้เพ่งฌานจากสรรเสริญพวกภิษุผู้ประกอบธรรมท่านทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้แลข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้รู้แจ้งเห็นอัถบทอันลึกซึ้งด้วยปัญญานั้นเป็นอัจิริยบุคคลหาได้ยากในโลกมหาจุนทสูตรที่สี่จบ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 พระองค์ตรัสว่าธรรมอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองธรรมอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนย่อมมีด้วยเหตุเพียงไรนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสีวกะ ถ้าอย่างนั้นเราจะย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านพึงพยากรณ์เรื่องนั้นตามสมควรแก่ท่านศีวกะ ả? ท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรท่านรู้ชัดโลภะที่มีอยู่ในภายในว่าโลภะมีอยู่ภายในเรารู้ชัดโลภะที่ไม่มีอยู่ในภายในว่าโลภะมีอยู่ภายในเรารู้ชัดโลภะที่ไม่มีอยู่ภายในว่า โลภะไม่มีอยู่ภายในเราหรือไม่สีวกกะปริพาโชกกราบทูลว่ารู้ชัดพระพุทธเจ้าค่าสีวกกะการที่ท่านรู้ชัดโลภะที่มีอยู่ภายในว่าโลภะมีอยู่ภายในเรารู้ชัดโลภะที่ไม่มีอยู่ภายในว่าโลภะไม่มีอยู่ภายในเราอย่างนี้แหลคือธรรมอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองละถึง สีวะกะท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรท่านรู้ชัดโทสะที่มีอยู่ภายในโมหะที่มีอยู่ภายในธรรมที่ประกอบด้วยโลภะที่มีอยู่ภายในธรรมที่ประกอบด้วยโทสะที่มีอยู่ภายในรู้ชัดธรรมที่ประกอบด้วยโมหะที่มีอยู่ภายในว่าธรรมที่ประกอบด้วยโมหะที่มีอยู่ภายในเรารู้ชัดธรรมที่ประกอบด้วยโมหะที่ไม่มีอยู่ภายในว่า ธรรมที่ประกอบด้วยโมหะไม่มีอยู่ภายในเราหรือไม่สีวกะปริพาโชกราบทูลว่ารู้ชัดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสีวกกะการที่ท่านรู้ชัดธรรมที่ประกอบด้วยโมหะที่มีอยู่ภายในว่าธรรมที่ประกอบด้วยโมหะมีอยู่ภายในเรารู้ชัดธรรมที่ประกอบด้วยโมหะที่ไม่มีอยู่ภายในว่า ธรรมที่ประกอบด้วยโมหะไม่มีอยู่ภายในเราอย่างนี้แหละคือธรรมอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนศีวะกะปริพาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงขอพระผู้มีพระภาค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 ทำอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองข้าแต่ท่านพระโคโดมทำอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนย่อมมีด้วยเหตุเพียงไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ถ้าอย่างนั้นเราจักย้อนถามท่านในเรื่องนี้ ท่านพึงพยากรณ์เรื่องนั้นตามสมควรแก่ท่านพราหม์ท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรท่านรู้ชัดราคะที่มีอยู่ภายในว่าราคะมีอยู่ภายในเรารู้ชัดราคะที่ไม่มีอยู่ภายในว่าราคะไม่มีอยู่ภายในเราหรือไม่พราหม์กราบทูลว่ารู้ชัดพระพุทธเจ้าค่ะพราหม์การที่ท่านรู้ชัดราคะที่มีอยู่ภายในว่า ราคะมีอยู่ภายในเรารู้ชัดราคะที่ไม่มีอยู่ภายในว่าราคะไม่มีอยู่ภายในเราอย่างนี้แหลคือทำอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองและถึงพราหมณ์ท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรท่านรู้ชัดโทสะที่มีอยู่ภายในโมหะที่มีอยู่ภายในเหตุเครื่องประทุสร้ายทางกายที่มีอยู่ภายใน เหตุเครื่องประทุสร้ายทางวาจาที่มีอยู่ภายในรู้ชัดเหตุเครื่องประทุสร้ายทางใจที่มีอยู่ภายในว่าเหตุเครื่องประทุสร้ายทางใจมีอยู่ภายในเรารู้ชัดเหตุเครื่องประทุสร้ายทางใจที่ไม่มีอยู่ภายในว่าเหตุเครื่องประทุสร้ายทางใจไม่มีอยู่ภายในเราหรือไม่พรามกราบทูลว่ารู้ชัดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่า าการที่ท่านรู้ชัดเหตุเครื่องประทุสร้ายทางใจที่มีอยู่ภายในว่าเหตุเครื่องประทุสร้ายทางใจมีอยู่ภายในเรารู้ชัดเหตุเครื่องประทุสร้ายทางใจที่ไม่มีอยู่ภายในว่าเหตุเคร<ๆ>ื่องประทุสร้ายทางใจไม่มีอยู่ภายในเราอย่างนี้แหลคือทำอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควร น, น้อมเข้ามาในตน อันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนพร้ามกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมภาษิของท่านพระโคโดมชัดเจนไพเรายะยิ่งนักและถึงขอท่านพระโคโดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตทุติยสันิติกะสูที่หจบ เขมาสูตรว่าด้วยพระเขมะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณกเศรษฐีเขตกรงสาวัตถีสมัยนั้นแหลท่านพระเขมะและท่านพระสุมาณะอยู่ที่ป่าอันถวันเขกรงสาวัตถีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งลงณที่สมควร ท่านพระเขมะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าผู้ที่ประเสริฐ ก, กว่าเรามีอยู่ ว่าผู้ที่เสมอกับเรามีอยู่หรือว่าผู้ที่ด้อยกว่าเรามีอยู่เมื่อท่านพระเขมะกราบทูลแล้วอย่างนี้พระศาสดาทรงพอพระไทยลำดับนั้นท่านพระเขมะรู้ว่าพระศาสดาทรงพอพระไทยเราจึงลุกจากอาสนะถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วหลีกไปครั้งนั้นแหละ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 ผู้ที่ประเสริฐกว่าเราไม่มีว่าผู้ที่เสมอกับเราไม่มีหรือว่าผู้ที่ด้อยกว่าเราไม่มีเมื่อท่านพระสุวรณะกราบทูลอย่างนี้แล้วพระาศาสดาทรงพอพระไทยลำดับนั้นท่านพระสุวรณะรู้ว่าพระาศาสดาทรงพอพระไทยเราจึงลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วหลีกไป ครั้งนั้นแหละเมื่อท่านพระเขมาและท่านพระสมณะหลีกไปไม่นานพระผู้มีประภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรทั้งหลายพยากรณ์อรหัตผลอย่างนี้กล่าวแต่เนื้อความและไม่น้อมตนเข้าไปหาส่วนโมฆาบุรุษบางพวกในธรรมวิ น, นัยนี้เหมือนจะร่าเริงกล่าวพยากรณอรหัตผลอยู่ เขาเหล่านั้นย่อมถึงความคับแค้นในภายหลังพระขีนาศพทั้งหลายไม่น้อมตนเข้าไปเปรียบเทียบกับบุคคลที่ดีกว่าไม่น้อมตนเข้าไปเปรียบเทียบกับบุคคลที่ด้อยกว่าไม่น้อมตนเข้าไปเปรียบเทียบกับบุคคลที่เสมอกันมีชาติสิ้นแล้วอยูโจบโพรมจรันแล้วเป็นผู้หลุดพ้นจากสังโยชน์ทั้งปวงที่ยอไปยยูเมะสูที่เจ็ดจบ อินทรียสังวรสูตรว่าด้วยอินสียสังวรภิกษุทั้งหลายเมื่ออินสียาสังวรไม่มีศีลของบุคคลผู้มีอินสียสังวรวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อศีลไม่มีสัมมาสมาธิของบุคคลผู้มีศีลวิบัติเชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อสัมมาสมาธิไม่มี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 มีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่ออินสียสังวรไม่มีศีลของบุคคลผู้มีอินสียสังวรวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วละถึงวิมุติยานัทสนะของบุคคลผู้มีนิพพิธาและวิราคาวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติแล้วสเกตเปลือกกระพี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 มีเหตุสมบูรณ์เมื่อยถาภูตยานทัศนะมีนิพิทาและวิราคะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยยถาภูตยานทัศนะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อนิพิทาและวิราคะมีวิมุติยานทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพิทาและวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ภิกษุทั้งหลายเมื่ออินทียสังวรมี ศีลของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยอินสีสังวรชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์และถึงวิมุติยานทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพิทาและวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบสมบูรณ์สเกตเปลือกกระพีแม้แก่นของต้นไม้นั้นย่อมถึงความสมบูรณ์อินทรียสังวรสูตรที่แด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 พอเป็นที่รึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรภิกษุได้ฟังธรรมที่ยังไม่เคยฟังธรรมที่ภิกษุนั้นเคยฟังแล้วไม่ถึงความเลอะเลือนธรรมที่ภิกษุนั้นเคยสัมผัสด้วยใจมาก่อนปรากฏแก่เธอและภิกษุนั้นย่อมรู้ธรรมที่ยังไม่เคยรู้ด้วยเหตุเท่าไรนอท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า ท, นนท่านอานน์เป็นผหูสูดเฉพาะท่านอาโน์เท่านั้นที่จะอธิบายเนื้อความแห่งภาสิตนั้นให้แจ่มแจ้งได้ท่านพระอานน์กล่าวว่าท่านสารีบุตรถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีผมจะกล่าวท่านพระสารีบุตรรับคําแล้วท่านพระอานน์จึงเดียกกล่าวเรื่องนี้ว่าท่านสารีบุตรภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เรียนธรรมคือสุตตะเคลยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตะกะอภูตธรรมเวทันละ <c oughs> เธอแสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารบอกธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารสาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมา ตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิดารตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งทำตามที่ตนได้สะดับมาตามที่ตนได้เรียนมาอยู่จำพรรษาในอาวาสที่มีภิกษุเทระผู้เป็นพระหูสูตรเรียนจบคำพีทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาอยู่เข้าไปหาภิกษุเทระเหล่านั้นในเวลาที่สมควรแล้วสอบถามไต่ถามว่า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 ธรรมที่ภิกษุนั้นเคยสัมผัสด้วยใจมาก่อนปรากฏแก่เธอและภิกษุนั้นรู้ธรรมที่ยังไม่เคยรู้ชัดด้วยเหตุเท่านี้แหลท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าผู้มีอายุน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏท่านอาโ น, น์ได้กล่าวไว้ดีแล้วพวกผมจะทรงจำท่านอาโ น, น์ว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมหกประการนี้เพราะท่านอานนหนึ่ง เรียนธรรมเคอสุตตะเคยยะเวยยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตรธรรมเวทันละ 2. แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดาร 3. บอกธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดาร 4. สาธยายรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิจารณาห้ 5. ตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งทมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมา 6. อยู่จำพรรษาในอาวาสที่มีภิกษุเทระผู้เป็นพระหูสูตรเรียนจบคัมภีรทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาธิกา เข้าไปหาภิกษุเทระเหล่านั้นตามการอันควรแล้วสอบถามไต่ถามว่าพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรภิกษุเหล่านั้นย่อมเปิดเผยข้อที่ยังไม่เปิดเผยทำข้อที่เข้าใจยากให้เข้าใจโดยง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่ภิกษุนั้นอนันทสูตรที่เก้าจบ Oh!